ที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำรรและทัศนชิวิตครับผมวสินอินทศระัจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เรื่องที่คุยกับท่านผู้ฟังอย่างค้างอยู่ก็คือเรื่องพระราตนัรใจคุณพระราตนัรใจและกการถึงพระรานัดใจเมื่อวานนี้ได้ คุยกับท่านผู้ฟังมาถึงพระพุทธคุณข้อที่ว่าโลกวิถูโลกวิถูแปล ว, ว่าท่านเป็นผู้รู้จักโลกหรือว่ารู้แจ้งโลกที่จริงก็ไม่มีคําว่าแจ้งนะครับมีอวิถูนั่นแปลว่ารู้รู้จักก็ได้รู้จักโลกนี้โลกท่านก็แบ่งเอาไว้เป็นสัตวโ์โลกโลกคือหมู่สัตว์ แล้วก็สังขาระโลกอันนี้หมายถึงสิ่งโลกสร้างต่างๆที่มีอยู่ในโลกแล้วก็โอกาสสโลกคือตัวโลกที่เป็นที่อาศัยของมู่สัตว์และพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้จักโลกเหล่านี้ด้วยพยานที่ไม่มีอะไรติดค่ะ ครจะไปที่ไหนก็เสด็จไปไหนก็ไปได้โดยไม่ต้องมีผู้นำทางก็ได้ทรงรู้จักโลกดีทุกอย่างผมได้พูดมาฟังแล้วเมื่อวานนี้นะครับครนี้ก็มาอีกข้อหนึ่งคือเป็นพระพุทธคุณข้อที่หกคืออนุตตรโบปุริสธรรมสารถิแปลว่าทรงเป็นสารทีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เทียบด้วยสาระทีที่ฝึกช่างฝึกมาว่าพวกสาระทีที่เขาฝึกช่างฝึกมาเขาก็ฝึกเพื่อประโยชน์ของเขาเองเขาฝึกช่างฝึกมาเพื่อประโยชน์ที่จะได้ใช้งานแต่ว่าพวกสาระทีที่ฝึกช่างฝึกมานี่นะครับเขาฝึกเอาไว้เพื่อใช้งานของเขาเองเพื่อเป็นประโยชน์ของเขาเองไม่ใช่เพื่อ ช้างหรือมาที่เขาฝึกแต่ว่ า, าพระพุทธเจ้าทรงฝึกคนเป็นครูฝึกคนเป็นศาสดาฝึกคนเพื่อประโยชน์ของคนที่ได้รับการฝึกนั่นเองเอไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เพราะว่าประโยชน์ของพระองค์นั้นถึงที่สุดแล้วไม่มีประโยชน์ของส่วนพระองค์อีกแล้วจึงได้ทุ่มกำลังทั้งหมด ถ้าลงไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกอนี่เรียกว่าถ้าทรงเป็นสารัสีที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเผื่อใครที่ฝึกไม่ได้ท่านก็ไม่ฝึกหรือว่าข้าเหมือนกันกัน ท, ที่เคยคุยกับคนฝึกมาคนหนึ่งชื่อเกษีเราคุยกันท่านก็เสด็จไปเจอกันเจอเขาแล้วก็ จัดถามว่าฝึกช้างอย่างไรฝึกม้าอย่างไรเขาก็บอกว่าฝึกโดวยวิธีละมุนละม่อมบ้างฝึกโดวยวิธีเข้มงวดบ้างรุนแรงบ้างแล้วถ้าเพื่อช้างม้าตัวไหนที่ฝึกไม่ได้เกษีทำอย่างไรเขาก็ทูลตอบว่าก็ค่าที่ค่านั้นทำไมจึงค่าก็ เ, าเพราะว่าไม่ต้องการจะให้เป็นพัน ไม่ต้องการจะให้สืบพืชพันธุ์ของม้าอย่างนี้ต่อไปดังนั้นก็ค่าเสียหรือไม่เช่นั้นก็ไม่ต้องการให้เป็นตัวอย่างของม้าตัวอื่นทีนี้เขาก็ใ้สดับมาว่าพระพุทธเจ้าทรงฝึกคนที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมเขาก็ทูลถามย้อนกลับว่าได้ทราพว่าพระโคดมทรง ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์มีวิธีฝึกอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าก็เหมือนกันเราก็ฝึกโดยละมุนละม่อมบ้างฝึกโดยวิธีที่รุนแรงบ้างทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้างทีนี้ถ้าเผื่อพระโคโดมฝึกไม่ได้นพระโคโดมทําอย่างไรคนไหนที่ฝึกไม่ได้ทําอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อบว่าเราก็ฆ่าเหมือนกัน ถ้าพระองค์ได้ยินมาว่าสมณะสักคยบปุตไม่ฆ่าสัตว์ขณะไหนพระองค์จึงตัดว่าเราก็ฆ่าเหมือนกันพระพุทธเจ้าจัดตอบว่าการฆ่าในอริยวินัยคือว่าในระเบียบของพระอริยะในธรรมเนียมของพระอริยะคำว่าอริยวินัยนะครับหมายความว่าในธรรมเนียมของพระอริยนั้นหมายถึงการไม่สอนเลิกสอนอา่พระช น, นันนันเ เห็นไมครับระชันน่นี่เป็นคนใกล้ตัวพระพุทธเจ้าใกล้องค์พระพุทธเจ้าที่สุดเป็นฆ่าเจ้าออกบวชแล้วก็ใกล้ศิษมากาสมา้สอนไม่ได้เป็นพระดื้อสอนไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเขาไม่สอนแต่ก็ไม่ให้ภิกษุทั้งหลายสอนแต่ก็รับสั่งให้ลงพ่อ ม, มาทันดือว่าไม่ต้องมีใครพูดด้วยไม่ต้องมีใครไปยุ่งด้วย หลังจากพระ่งนิพพานแล้วให้ลงพรมมาทันหลังจากโพล่งนิพพานแล้พระนนท์ไปลงพรมมาทันพระชั้นหน้าก็ตกใจพอ ถ, ถูกลงพรมมทันโดยที่ว่าเขาประกาศว่าไม่ให้มีใครพูดด้วยไม่ให้มีใครยุ่งด้วยตกใจเป็นลมสลบไปฟื้นขึ้นมาก็เป็นพระดีอันนี้เป็นพระดีว่าง่ายก็ได้สําเร็จเหมือนกันได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันเหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้า ใครที่สอนไม่ได้ท่านก็ไม่สอนมันเสียเวลาเสียเวลาแทานที่เราจะไปไปวุ่นวายกับคนที่สอนไม่ได้เอาเวลาที่เหลืออยู่ซึ่งมีอยู่ไม่มากนะ่ะไปสอนคนที่เขาควรจะได้รับการสอนจะไม่ดีกว่าหรือหรือว่าถ้าเรามีนาอยู่หลายแปลงพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าถ้าเรามีนาอยู่หลายแปลงแปลงหนึ่งดินดีมาก อีกแปลงหนึ่งก็ดินพอฟานกลางอิกแปงหนึ่งก็ดินแย่เต็มทนไม่ไหวถ้าเรามีพืชอย่างดีเราควรจะปลูกควรจะหว่านพืชลงไปในดินชนิดไหนก่อนก็ใครๆก็ตอบได้ว่าต้องหว่านไปลงไปในดินที่ดีที่สุดก่อนเมื่อดินที่ดีที่สุดหมดแล้วก็สิงค่อยมาเอามาเล็ดพืชที่ดีมาหว่านลงไนที่ดินฟอานกลาง เมื่อที่ดินปั่นกลางดีปั่นกลางหมดแล้วจึงค่อยหวานลงไปในที่ดินที่ไม่ค่อยดีซึ่งมันอาจจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบางก็ช่างมันเนี่ยครับการสอนคนก็ทำนองเดียวกันนี้เพราะเรามีคำสอนดีๆใครที่ควรได้รับคำสอนเขาก็ให้เขาไปก่อนอัในนี้ใครที่มีคุณสมบัติรองลงมาก็ก็ค่อยเก็บเวลาให้ให้เท่าที่พอมีเวลาในใครที่ ไม่ค่อยดีรับคําสอนไม่ค่อยดีแล้วก็ให้บ้างไม่ให้บ้างก็<ๆ>แล้วแต่แทนที่จะใช้เวลาไปเสียเวลากับคนที่เหมือนตินไม่ดีไปเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่ควรจะได้รับการสอนก็ใช้เวลาไปกับคนที่เขาควรได้รับดีกว่าท่า น, นพระพุทธเจ้าก็ทํำนองนี้นะครับรกว่าทรงเป็น ครูฝึกที่คนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ทรงไม่สอนเกินค่าคนที่ไม่รับคําสอนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันดีสําหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สาหรับใครต่อใครที่มีคนเกี่ยวข้องอนะครับมีคนเกี่ยวข้องมากบ้างน้อยบ้างซึ่งมีอัธยาศัยต่างๆกัน เขาควรจะได้แค่ไหนก็ให้เขาแค่นั้นอันนี้ข้อที่ว่าอนุตตรโปุริสธรรมสารถิทรงเป็นสารติเป็นเหมือนสารถิฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกรนีที่ว่าฝึกอย่างละมุลละม่อมอันนั้นหมายถึงว่าทรงชี้คุณให้ดูทรงชี้คุณให้ดูเช่นว่า มีธรรมแล้วมีเมตตากรุณาแล้วมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นมีศีลแล้วมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็แปลว่าพันนาถึงคุณของธรรมฝึกอย่างรุนแรง น, นั่นก็คือการชี้โทษให้เห็นว่าโทษของบาปเป็นอย่างนั้นอยางนั้นนรกเป็นอย่างนั้นได้รับความทุกข์อย่างนั้นอันนี้เรียกว่ารุนแรงแล้วฝึกอย่างรุนแรง อันนี้เป็นคำอธิบายในพระไตปิฎกเองนะครับไม่ใช่เป็นคำอธิบายของผมคือถ้าจะถามว่าฝึกอย่างลสมุลม่อมคือฝึกอย่างไรแปลว่าพันณ า, นาให้เห็นคุณของบุญของความดีฝึกอย่างรุนแรงนั้นฝึกอย่างไรก็พันณ า, าให้เห็นโทษของบาปของความชั่วของทุจริตอะไรอย่างนี้อันนี้คือคาอธิบายที่ตรงตามพระไติฎก แต่ถ้าจะขยายความไปเป็นอย่างอื่นก็นั่นก็เป็นอัตโนโมติแล้ว แ, วแต่บุคคลไปคราวนี้ก็มาถึงข้อต่อมานะครับพระพุทธคุณข้อที่แปดที่ว่าพุทโธพุทโธนี่เป็นพระนามที่รู้จักกันมากที่สุดในบรรดา พ, พระนามที่เป็นคุณทั้งหลายคือเป็นพระคุณทั้งหลายก็คือพุทโธ ที่เราแปลว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้รู้จริงทรงเป็นผู้รู้จริง น, นี่อย่างหนึ่งรู้เช่นรู้อริยสัจสี่ถามว่ารู้อะไรรู้อริยสัจสี่อริยสัจสีนี่รู้ตามตัวหนังสือรู้ตามความจานี่ไม่ยากนะครับแต่ว่าในภาคปฏิบัตินั้นยากไม่ใช่ง่ายเพราะว่าเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เข้าองค์ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระทรงรู้อริยสัจสีในธรรมจักนี่นะครับได้บอกเขาไว้ชัดเจนธรรมจักกับพุทธสูตรนะคือในภาคปฏิบัตินี่ไม่ใช่ของของง่ายอย่างเช่นว่าการละสมุทัยคือตนาเนี่ยนะครับแต่ว่ากิเลสเนี่ยการละกิเลสเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแล้วก็การบำเพ็ญมัชฌิมโยงแปดให้บริบูรณ์เนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากมันยากตรงภาคปฏิบัติ เปพระพุทธเจ้าทรงรูรง้รู้จริงนอกจากอริยสัจแล้วก็ทรงรู้หลายอย่างเรียกว่าสัพพันยูรู้มากมายรู้ทุกอย่างแปลตามตัวแปลว่ารู้ทุกอย่างเพราะว่าถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าได้จัดสรู้อะไรก็ตอบได้ว่าตรัดสรู้ธรรมทุกอย่างแต่ว่ามาจบลงที่อริยสัจคายต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยครับมะม่วงสมมติว่มะม่วง ก็มันมีเยอะแยะไปหมดเลยส่วนของมะม่วงเป็นเปลือกเป็นกระพีเป็นแกนเป็นรากเป็นสะเก็ดเป็นใบเป็นกิ่งแต่ว่าสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งของมะม่วงก็คือผลของมันกับร่มเงาของมันนั้นก็เปรียบว่าเหมือนอริยสัจนั้นเป็นผลมะม่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะครับจะจบลงด้วยอริยรสัจทรงรู้มากมาย อีกคำหนึ่งที่เป็นคำแปลพุทโธก็คือว่าทรงตื่นจากความหลับตืนจากความหลับคือกิเลสแล้วก็ทรงเบิกบานด้วยพระไตรกรุณาก็รวมเป็นพระปัญญากุลพระบริสุทธิ์คุณและพระมาหาการุณาคุณนั่นเองนะครับที่ว่าทรงเป็นผู้รู้นั่นก็เป็นพระปัญญากุลทรงเป็นผู้ตื่น จากความลับคือกิเลสนั่นเป็นพระบพิสุทธิกุลแล้วก็ทรงเป็นผู้เปิดปานด้วยพระทัยการุณาอันนั้นก็เป็นพระมหาการุณาคุณพระคุณโดยย่อมีสามอย่างก็มารวมอยู่ที่คำว่าพุทธโธนี่ก็บางทีท่านก็เล่า เ, าเอาไว้เป็นเชิงเปรียบเทียบนะอย่างเช่นในตาราของเราก็เล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อก่อนวันก่อนที่จะทัดสรู้ก็ดีวันที่ท่านไปลอยถาดไปลอยถาดเป็นเสวยจักรยาหารของนางสุชาดาแลว้ว ก, ก่อนทัดสรูแล้วก็เอาถาดไปลอยในแม่น้ำเนรัญชราแล้วก็ถาดมันก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็จมลงไปในแม่น้า จมลงไปก็ปรากฏว่าไปซ้อนเข้ากับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนกอดดังกริก๊กฮะซ้อนลงไปดังกริก๊กพญานาคซึ่งนอนหลับอยู่นอนหลับมาเป็นเวลานา น, านก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อุทานออกมาว่า อ, อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองหนึ่งแล้วโดยสังเกตจากที่ถาดลอยลงมาแล้วก็มาซ้อนกันดังกริก๊กออนั้นท่านเล่าเอาไว้ เป็นอุปมารหรือว่าเป็นปิสนาธรรมเป็นตำนองสอนให้รู้ว่าถาดทองของพระพุทธเจ้าที่ลอยไปนั้นน่ะลอยทวนกระแสน้าไปด้วยความที่ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์เหมือนกับถาดทองคําเหมือนกับทองคําบริสุทธิ์เหมือนทองคําแล้วก็ลอยทวนกระแสน้ําก็คือทวนกระแสใจของคนทวนกระแสจิตของคนทั่วไปเป็นปฏิโสตะคามิง แปล ว, ว่าทวนกระแสทวนกระแสจิตของคนนี้ก็พญานาคนั้นก็เทียบได้กับอคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายซึ่งหลับอยู่ด้วยความหลับคือกิเลสพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาองค์หนึ่งก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามองดูลืมตาขึ้นดูอ๋อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแล้ ว, ลวพญานาคก็หลับต่อไป เหมือนประชาชนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปก็รับรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วก็หลับต่อไปก็หลับด้วยกิเลสด้วยอำนาจกิเลสจะเรียกว่ากิเลสสนิทราโดยหลับด้วยความหลับคือกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นพุทโธ ท, ทรงตื่นจากความหลับคือตื่นจากกิเลสตื่นแล้วก็ทรงปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้นด้วยพุทโธโฟเทตา ส่งปลุกผู้อื่นให้ตื่นขึ้นด้วยแต่ว่าใครจะตื่นใครจะนอนขี้เสาใครจะยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าทรงปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยพระไทยกรุณาในมูสะอันนี้ก็เป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งที่เรียกว่าพุทธโธนะครับพุทโธทนีนี่ข้อที่เก้าก็พระเขาวาพระพุทธคุณเก้าพระเขาว า, วาทรงเป็นผู้มีภาคพระเขวานี่แปลว่ามีภาคมีภาค จึงเรียกยยยกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเราพุทธไวสัตได้ยินคํานี้บ่อยๆได้ยินคําว่าพระผู้มีพระภาคยาวคือว่าถ้าเป็นคําสามัญก็แปลว่าผู้มีภาคทีนี้ก็ท่านเป็นผู้ประเสริฐจึงเรียกว่าพระพระแล้วผู้มีพระภาคเแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้คํานี้มีความหมายหลายไหนคําว่าภาคนี่หรือพระวานี่นะครับ มีความหมายหลายในมีเช่นคำว่าคำว่าพระาว่านี้เป็นคำเรียกท่านผู้ประเสริฐ ท, ท่านผู้สูงสุดเป็นคำเรียกท่านผู้ควรเคารพในฐานะเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่นี้เป็นความหมายที่หนึนะครับว่าเป็นคาเรียกท่านผู้ประเสริฐผู้สูงสุดเรว่าพระขาวาชาวอินเดียก็เรียกว่าพุท ธ, ธภรขวาแล้วก็ทรงมี พระคธรรมทรงมีพระคธรรมคืออิสริยยศพระคธรรมนี่หมายถึงอิสริยยศหมายถึงความเป็นใหญ่อิสริยยศในที่นี้หมายถึงความเป็นใหญ่ในพระไทยของพระองค์เองถือว่าเอาชนะตนเองได้เป็นใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วประการที่สองคือธรรมธรรมะการที่หนึ่งอิสริยยะประการที่สองธรรมะหมายถึงโลกุตตรธรรมเก้า ทรงมีโลกุตตรธรรมประการที่สามยศในหมายถึงชื่อเสียงที่ดีงามแล้วก็ประการที่สี่สิริมิ่งขวัญความสง่าภาพเผยประการที่ห้ากามะสิ่งใดอันพระองค์ทรงประสงค์แล้วย่อมสําเร็จความประสงค์ในสิ่งนั้นประหกพยัตตะความเพียรพยายามทรงมีความเพียรคําว่าพระวานี่มีความหมายหกอย่าง คำว่าพระครมมีมีความหมายถึงธรรมหกประการตามที่กล่าวมานี้นะครับพระครมมทรงมีพระครมมหกประการจึงทรงพระ น, นามว่าพระขวารที่นี้ก็ทรงเสพอริยธรรมมีศิลขันอันเป็นเสด็จเป็นตนอันอนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ได้พระ น, นามว่าพระขวารทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งเจตุปัจจัยที่ทายกถวายแก่สมณนะ แล้วก็ทรงจำแนกธรรมรัตนะทรงหักกรรมแห่งสังสารวัฏอันนี้ซ้ำกับคำความหมายของอรหันต์นะครับแล้วก็ทรงหนักแน่นสมเป็นครูทรงเป็นผู้มีกุศลมีโชคทรงอบรมพระองค์ดีแล้วด้วยจำมันควรรู้ควรเข้าใจเป็นอันมากทรงถึงที่สุดแห่งภพคือสิน้นภพคายการไปในภพทั้งหลายได้แล้วแล้วก็ประการที่สิบเ็ด ทรงหักราคะโทสะงโมหะและบาปทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพัะขวาท่ า, ทานผู้ฟังที่เคารพกับเรื่องพระพุทธคุณในตอนนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเวลาหมดพอดีอขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงนี้แต่ท่านผู้ฟังโดยทั่วไปสวัสดีครับ